<Book> <65. S 3> บุ๊กทูหกสิบห้าอาระบายดุการปฏิเสธสองนิรากรณ์เรนดุแหวนวงนี้แพงไหมคะเจติวงกฤษขลิได้นะดาไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรเลดูดินอิดารกแควลัมบกกันดือยูโรลมั้งแต่แต่ดีฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะกานีนาวดะแควลัมยาบเฮยมาตรไม่โอนดิคุณเสร็จแล้วใช่ไหมนีดิไอโปินดาไม่ยังไม่เสร็จค่ะ เลอิงก้าอับบะเลดูแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะคารนี้ตัวนเดอร์โลเนนาดียอพูดทุนดีคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะมิคือยิงก้นแต่ซุปกาวละไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะวดดูน่าก็อิงก้าวดดูแต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ การี่อิง ก, กุกไอศครีมคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะมีรืออะไกคุย ก, กับเราบ้่นนไม่ค่ะพิ่งเดือนเดียวเลดูเค่บา้านเราบานรามแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วการี่นักอีปัดกีฉ้าลามันจะมันชุดตปัจเจกมุด่ด คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะมีดูเรปินติกเวลตุนนาระไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์เลดูเกเวลล์ยังบารานต์ัมโลเนแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะกาณินี่หนูอดีวาร์มเวนักกิวเจสตานุลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ มี่กูจะรู้ไปได้ได้ปุ่นดไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่องอายุสิบเจ็ดปีเลยดูดานี้คเก็บอมปเดแต่เธอมีแฟนแล้วนะคารีดานี้คปฏิิริยาวกับคนอีที่รูวนาดูกรุณาไปที่ www. b o o k